บันี้จจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแก่ท่านคณาจโมกขลานะว่าในพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับ และมีการบรรลุผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยลำดับธรรมะที่ทรงแสดงไว้โดยอนเนกกระปรยายคือนิยะต่างๆนั้นเพื่อให้การศึกษาโดยลำดับปฏิบัติโดยลำดับจะได้บรรลุผลโดยลำดับนั่นเองไม่ว่าจะทรงแสดงไว้โดยปรยายอะไรก็ตามจะมีเป้าหมายสามขั้นตอน ดังที่กล่าวแล้วปริยายธรรมะที่ทรงใช้สิ่งซึ่งปรากฏแก่จกักษุสัมผัสเป็นต้นของคนมาเป็นแนวในการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะในกรณีของอาปูธาต์คือทาานานั้นยังมีนัยยะเป็นอเนกเกปริยายเช่นทรงสแสดงถึงลักษณะของแม่น้ำทั้งหลายไว้เป็นสประเภทด้วยกัน ประเภทแรกแม่น้ำที่ตื้นและเงาก็ตื้นโดยทรงยกอุปมาเปรียบเทียบกับบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ว่าบุคคลบางคนนั้นกิริยาการที่แสดงออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาก็มีลักษณะละหลวมไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีไม่ถูกตรงตามหลัก ของธรรมะในทางศาสนาในด้านจิตใจเองก็ไม่มีคุณธรรมความดีเป็นหลักคิดเหนียวทางใจซึ่งจะอาจอาจจะพูดโดยสำนวนคนไทยว่าเป็นคนที่มีความโพรกคือมีความบกพร่องทั้งในส่วนกายและส่วนใจบุคคลประเภทเ น, นี้แม้จะนำไปเปรียบเทียบโดยประยายอื่น เจนสรงแสดงอุปมามางคนว่ายน้ำอยู่ในกระแสน้าเจ็ดจาพวกก็คือเป็นบุคคลประเภทที่จมลงไปในกระแสน้าแล้วไม่ยอมผุดขึ้นมานั่นเองในด้านการศึกษาก็มีการศึกษาการสัตสับฟังน้อยมีการเข้าใจน้อยในด้านการปฏิบัติก็ปฏิบัติได้น้อย ไม่ว่าในชั้นของการควบคุมกายวาจาคือชั้นศีนลในการควบคุมความรู้สึกนึกคิดในด้านจิตใ จ, ใจคือสมาธิผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติก็ย่อมน้อยไปตามสัดส่ว น, นึ่งกล่าวแม่น้าประเภทที่สองนั้นเงานั้นดูตื้นแต่แม่น้ำลึกเป็นการสะท้อนได้เห็นถึง ลักษณะกิริยาอาการของบุคคลบางประเภทที่มีสิ่งบางอย่างซึ่งตนไม่อาจที่จะสะลัดละได้เพื่อาการที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีลักษณะละลวมหรือโภคกต่างๆแต่ว่าพื้นฐานทางจิตใจนั้นในด้านการศึกษาก็มีความรอบรู้ลึกซึ้งในเรื่องเหล่านั้นในด้านการปฏิบัต ก็าสามารถปฏิบัติผ่านขั้นตอนไปได้ในด้านผลก็มีความสะอาดในด้านกายด้วยศีลมีความสงบในด้านจิตใจด้วยสมาธิและมีความรอบรู้ในหลักของอริยสัจด้วยปัญญาในระดับนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่าคนประเภทนี้บางคนก็มีความเป็นอย่างนั้นอยู่โดยปกติ คือจิตใจของท่านเป็นอย่างหนึ่งแต่แสดงออกมาในลักษณะอย่างหนึ่งในระดับสามั ญ, ญชนทั่วไปก็แสดงถึงจริตหรืออัธยาศัยท่านเป็นอย่างนั้นเองแม้ในบุคคลระดับที่เป็นพระรียเจ้าแล้วเช่นพระละุณกะปัิยะพระพารัตวาชะเถระซึ่ง ในแสดงอาการกริยาที่ทำให้คนเกิดจึงงนสนเทว่าทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นทำไมจึงแสดงเช่นนั้นคือโดยปกติแล้วท่านมักใช้วาจาที่เรียกว่าวัสะวาทะซึ่งแปลกันโดยสำนวนไทยๆว่าคนถอยหรืออาจจะใช้คำอย่างอื่นซึ่งเป็นคำที่ ไม่ค่อยจะภัยรอนักแต่ท่านก็พูดของท่านอย่างนั้นอยู่เสมอจนมีคนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระปิรินทวชะพระารตวชะนั้นเป็นคนพูดจาหยาบคายไม่น่าฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรงชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นเรื่องของสันดานที่สืบต่อข้ามภพข้ามชาติเกิดมานาน ไม่อาจาที่จะสละละได้เป็นวาสนาบา ร, รมีที่เก็บสะสมมาในอดีตชาติดังนั้นในเรื่องนี้เมื่อกล่าวโดยส่วนที่นึกซึ่งแล้วพระอราหันต์ทั้งหลายนั้นละวาสนาไม่ขาดคนที่ละวาสนาได้ขาดจริงๆก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคนประเภทนี้ ในหมู่สามัญชนทั่วไปก็คือคนที่ปากร้ายใจดีกิริยาอาการอาจจะเก้งกังอาจจะไม่สุภาพเรียบร้อยแต่มีคุณธรรมมีความดีที่ควรแก่การครบนับถือก็เหมือนกับต้นไม้หรือผลไม้ดูข้างนอกไม่ค่อยจะน่าดูน่าชมแต่ภายในมีแก่นหรือถ้าเป็นต้นไม้ถ้าเป็นผลไม้ก็มีรสหวานถ้าเป็นดอกไม้ก็จะมีกลิ่นหอม ถึงแม้รูปร่างจะไม่สวยงามก็ตามการทรงแสดงพระธรรมเทศนาในแนวนี้อาศัยวัตถุธรรมที่ใกล้ตัวของบุคคลนั้นๆเป็นอุปกรณ์ในการสอนผู้ฟังจงเมื่อทรงแสดงไปแล้วผู้ฟังก็เห็นไปตามนั้นแต่ไม่ได้มุ่งหมายให้เรียนในสิ่งเหล่านั้นเพียงอย่างเดียว การสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะสอนจากข้างในออกไปข้างนอกหรือส อ, สอนจากข้างนอกก็ตามแต่ในที่สุดจะต้องดึงกลับเข้ามาหาตัวเองมาเทียบเคียงมาพิจารณาตัวเองเมื่อทรงแสดงบุคคลไว้โดยประยายนั้นๆในสองประเภทแรกผู้ฟังก็มองภาพนั้นให้ประจักษ์แก่ใจของตนทั้งน้ําที่ตื้นเงาตื้น ทางน้ําลึกแต่เงาตื้นมาเทียบเคียงดูว่าในด้านการศึกษาในด้านการปฏิบัติและในด้านการสัมผัสผลแห่งธรรมะของตนนั้นอยู่ในบุคคลประเภทแรกหรือว่าในบุคคลประเภทที่สองถ้าอยู่ในบุคคลประเภทแรกก็ควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบุคคลประเภทที่สองก็อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนข้างนอก ส่วนข้างในไม่มีปัญหาอะไรคือในด้านจิตใจไม่มีปัญหาอาการกริยาวาจาก็า จ, จะต้องสํารวมระวังให้ดียิ่งขึ้นแต่สมมติว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ก็พยายามพัฒนาในด้านจิตใจให้สูงขึ้นในที่สุดผลที่ตนประสงค์จากาศาสนธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยลำดับแม่น้ำประเภทที่สามนั้นเป็นลักษณะของเงาลึกแต่แม่น้ำตื้นซึ่งเป็นการมองอีกแง่หนึ่งอีกมองอีกมุมหนึ่งทรงอุปมาเปรียบเทียบคนประเภทนี้เอาไว้ว่ากรยาอาการที่แสดงออกมาในภายนอกนั้น มีลักษณะที่สงบส ง, งยมเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งสัทธาภาษาทะของบุคคลทั้งหลายแต่ว่าภายในจิตใจนั้นมีความหยาบช้ากระดั่งไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติที่เหมาะควรแก่ฐานะซึ่งผลจริงๆจากการปฏิบัตินั้นก็มีได้น้อยปัญหาที่น่าศึกษาอยู่ก็คือว่า ทำไมคนเหล่านั้นจึงแสดงอาการเรียบร้อยให้ปรากฏออกมาในภายนอกได้ข้อนี้ถ้ามองเปรียบเทียบไปในเรื่องของกิเลสบางประเภทบุคคลจะเห็นได้ว่ากิเลสบางประเภทนั้นจะปรากฏตัวในลักษณะอย่างหนึ่งทงั้งๆที่พื้นใจมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งได้แก่กิเลสประเภทอะไรบ้าง เช่นมารยาหรือมายาได้แก่ความเป็นคนเจ้าเล่ห์คตในข้องอนในกระดูกอาการแสดงภายนอกนั้นจะมีลักษณะสงบสงเงียบํานองของเสือจาศีล น, นกยางจาศีลหรือแม้แต่เรื่องที่ท่านเล่าถึงฤาษีวางแผนกินเฮียเป็นต้นเรื่องการที่ปรากฏภายนอกนั้นเป็นกริ่ยาอาการที่น่าเลื่อมใส แต่ทั้งหมดเป็นเพียงมาย า, า, ยาหรือมารยาคือความเจ้าเล่ห์ของบุคคลเหล่านั้นต้องการจะหลอกลวงบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนให้เกิดความศรัทธาเลื่อมสายความประทับใจหรือมุ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งชนคนบางคนอาจจะเข้าหาบุคคลอื่นด้วยอาการกริยาวาจาที่สุภาพนิ่มนวลอ่อนโยนพูดโน้มน้าวจิตใจของบุคคลในคล้อยตามเห็นตาม เป็นพวกประจบสอบพอหรือพวกปอกลอกก็พร้อมที่จะแสดงความสงบเสงเงียมเรียบร้อยเหล่านั้นออกมากิเลสบางประเภทเช่นพวกแข่งดีคือต้องการจะแข่งขันต้องการจะโอ้อวดประชันซึ่งกันและกันก็ให้เกิดความอดทนที่จะเอาชนะฝ่ายหนึ่ง แสดงความเป็นคนเรียบร้อยเป็นต้นออกมาให้ปรากฏบางครั้งก็เป็นเรื่องของมาณนะคือความถือตัวถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจุดปป่งหมายนั้นเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเพื่อแสดงฐานะของตัวเองหรือเพื่อต้องการจะเอาชนะบุคคลอื่นเป็นต้นการกระทา ในลักษณะต่างๆดังกล่าวนั้นบางครั้งก็อาจจะเกิดมาจากโลภะคือการมุ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความยกย่องสรเสริญการได้รับรางวัลจากบุคคลอื่นเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นสามารถที่จะควบคุมให้คนมีความสงบสิ่งเงียมในสายตาของบุคคลอื่นได้อยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อ ไม่อยู่ในสายตาของบุคคลอื่นก็พร้อมที่จะแสดงอัธยาศัยที่แท้จริงของตนออกมาคนประเภทนี้ก็คือคนประเภทที่กติไทยเราหรือสำนวนไทยเราพูดไว้เป็นอันมากจชนมือถือศากปากถือศีนปากปราัสน้ำใจเชือดคอปากหวานก้นเปรี้ยวต่อหน้ามาพรั่รับหลังตะโกเป็นตน้นคือภาพที่ปรากฏ ก็อให้เกิดความลุ่มหลงความนิยมยินดีความเพลิดเพลินแต่ถ้าใครไปลุ่มหลงไ ป, ไปลุ่มหลงข้าวไปยอมรับนับถือข้าวก็จะเป็นอันตรายแกบุคคลเหล่านั้นเช่นตัวอย่างของนกยางจําศีลอย่างที่ทราบกันก็แสดงอาการสงบสงเสงี่ยมเมตตาสงสารพวกปลาพวกปูที่ติดอยู่ในหนองน้ำแห้งเห็นว่าสัตว์เหล่านั้นก็จะตายไป ออกปากกินดีที่จะช่วยเหลืออ่างน้องน้ําที่ใสสะอาดมีน้ําเย็นสบายน่าอยู่น่าอาศัยขันอาสาที่จะนําปลาเหล่านั้นไปปล่อยกิริยาอาการที่แสดงออกนั้นน่าเลื่อมใสามากแล้วปลาทั้งก็ไปปลาก็ยอมไปแต่ในที่สุดพอฆ่าปลาเลยไปก็ไปกินไปหมดจนปูซึ่งรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนกระยางตัวนั้น เมนกยางฆ่าตัวเองก็เอาก้ามหนีบคอนกยางไว้ด้วยเมนกยางเริ่มจะกินปูแกก็เอาก้ามหนีบเอาไว้แล้วในที่สุดก็สร้างความสวัสดีเกศตนคนประเภทนี้จึงมีลักษณะเหมือนน้ําที่เงาลึกย่างได้ยากเข้าใจได้ยากเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นมีลักษณะน่ายำเกรงน่าเคารพนับถือน่าเชื่อถือแต่ว่า บุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องขาดการระมัดระวังก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายการสอนจากปัจบุคคลภายนอกดังกล่าวแม้ในข้อนี้ก็เพื่อให้บุคคลนํามาตรวจสอบพิจารณาตนแล้วก็ตือนตนตรวจสอบตนตัดสินตนตามหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพ ร, าะระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่ เสริมสร้างปัญญาเสริมสร้างเหตุผลให้แก่บุคคลและบุคคลนำเหตุผลสติปัญญาที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปนั่นพิจารณาตนด้วยตนสอนตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้ววินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีเห็นว่าตนเองยังอยู่ในประเภทของเงาลึกแต่นต้ําตืนนั้น ก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าภายในจิตใจนั้นถูกกลุ่มรุมถูกขอคุ้มด้วยบรรดากิเลสแนาประการประการสุดท้ายก็คือคนประเภทที่เงาก็ลึกน้ำเองก็ลึกซึ่งหมายความว่าจะโดยการศึกษาคือการรอบรู้ในหลักพระประยะิยติธรรมที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้ก็ดี โดยการปฏิบัติตามหลักโดยสรุปก็คือไตรสิกขาที่ทรงบัญญัติแสดงไว้ก็ดีโดยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะในชั้นนั้นๆก็ดีท่านผู้นั้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ในแต่ละจุดของไตรสิกขาคือชั้นของศีลสมาธิหรือชั้นปัญญาแสดงอาการกริยาให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่น ยุติด้วยหลักศีลด้วยหลักอาจาระที่ท่งบัญญัติเอาไว้สร้างความประทับใจความเลื่อมใสให้แก่ผู้ประสบพบเห็นให้ความอบอุ่นปลอดเวรปลอดภัยแก่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้ในฐานะ น, นั้นๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้ บุคคลประเภทที่สองกับบุคคลประเภทที่สี่เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาเป็นเป้าหมายในการศึกษาการปฏิบัติและการอบรมในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าบุคคลประเภทที่สองจะมีความบกพร่องอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของวาสนาของท่านเป็นเรื่องของจิตสันดานที่ไม่อาจจะละได้เด็ดขาด แต่เมื่อพื้นอัตยาัยที่กรอบด้วยคุณธรรมความดีเช่นนี้ก็จะไม่มีเวรมีภัยกับใครๆแม้ตัวท่านเองก็ชื่อว่าเป็นผู้สงบระงับไปได้ซึ่งบาปซึ่งอกุศลต่างๆไม่มีการประพฤติการกระทำอะไรไปตามความรุนแรงของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นส่วนบุคคลประเภทที่สีนั้นเป็นความสมบูรณ์แห่งชีวิตในแต่และจุดของการศึกษาการปฏิบัติ ซึ่งผลสูงสุดนั้นทรงเน้นไปที่การรู้อริยสัจทั้ง4ประการโดยอาศัยญาณทั้ง3ประการดังที่เคยกล่าวมาแล้วคือท่านผู้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติจนผ่านขั้นตอนมาและเกิดญาณผุดขึ้นภายในใจรู้ความจริงในอริยสัจแต่และข้อว่าอะไรเป็นอะไรด้วยอำนาจของสัจจญาณ รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และรู้ด้วยอํานาจของกิจยานคือรู้กิจภาระหน้าที่ที่บุคคลจะต้องกระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ในอริยสัจแต่ละข้อว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เพราะอะไรเพราะทุกข์นั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเองเมื่อมีเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านั้นก็เกิดแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการผลคือความทุกข์หล่านั้นบุคคลจะไปแก้ที่ตัวทุกข์ไม่ได้ก็จะต้องไปแก้ที่ตัวเหตุซึ่งข้อนี้ทรงแสดงเหตุสําคัญไว้สองประการที่เป็นตัวของสมุทัยโดยตรงคือ คือตัณหาทั้ง3ประการอย่างที่ทราบกันตีประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความยึดความถือด้วยอำนาจของอุปาทานในขันทังหลายที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นอเน ก, กปริยายตามลักษณะของอารมณ์ที่ใจเข้าไปกำหนดบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเศร้าโศกบางครั้งก็ก่อให้เกิดความยินดีบางครั้งก็ก่อ ใ, ใ, ให้เกิดความขัดเคือง แต่เมื่อบุคคลได้วิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นสาวลึกลงไปจนถึงเหตุให้เกิดอารมณ์เช่นนั้นก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดจากใจของตนที่ไปกําหนดและไปยึดติดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในฐานะต่างๆตัวอารมณ์เองก็เป็นเรื่องของกลางๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นอัปยากระตธรรมคือธรรมะที่กลางกลา เช่นว่าคนสัตว์สิ่งของต่างๆนั้นก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโ ด, ย ก, นดยกระบวนการของธรรมชาติแต่หากว่าคนไปกำหนดว่าเป็นของเราเมื่อของเราเกิดมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นก็จะมีความชื่นชมจินดีมีความสุขสมมนัตเพราะความเจริญก้าวหน้าเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ถ้าหากว่าไปกาหนดว่าเป็นเขา ก็จะเกิดความริษยาเกิดความไม่พอใจเกิดความโทมนัสแต่ว่ า, าไม่มีการกำหนดไว้ในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะสงบวางเฉยไม่แปงไปทั้งด้วยอำนาจของอภิชาคือความโลภอยากได้หรือโทมนัสความประทุษร้ายหรือความขับแคลนใจเสียใจและให้รู้ว่าสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ ซึ่งในที่นี้ทรงแสดงตัณหาทั้ง3ประการไว้ได้แก่การของจิตที่สายไปในอารมณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นจากการกําหนดดังกล่าวแล้วหรือความใคร่ความปรารถนาความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นและเพราะว่าตัณหาจิตที่ดิ้นทะเยอทะยานอยากได้ในภาวะความเป็นต่างๆด้วยอํานาจรากที่อย่างลึกอยูภายในใจคือสัสจะจิตฺิ คือความกําหนดหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องนี้เมื่อสาวลึกลงไปจริงๆก็จะพบว่าพื้นฐานใจนั้นประกอบด้วย ส, สตัตตตถิทิคือความเห็นสิ่งนั้นเป็นของไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าปากจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงแต่แท้จริงแล้วรากยังอยู่อย่างลึกอยู่ภายในใจเพราะว่าต่างๆที่ตนขวอยคว้าปรารถนานั้น บางครั้งบางคราวก็ดูกันได้ว่าแม้ตนจะได้บาปก็จะถือครองหรือจะเป็นอยู่ได้ไม่กี่วันตัวเองก็ต้องแตกทํำลายไปหรือไม่แตกทําลายไปก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในฐานะความเป็นเหล่านั้นแต่ว่าเนื่องจากตัวสัจธรทิฏฐิซึ่งมีรากอย่างลึกอยู่มากภายในจิตสํานึกของคนเราหล่อหลอมออกมาเป็นภวะตันหาหรือภาวะทิฏฐิหรือความมีความเป็นด้วยประการต่างๆนั้น ถ้าไม่มีการไขว่คว้าปรารถนาสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นการด้วยวิธีการต่างๆข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนเช่นฐานะตำแหน่งบริหารบ้านเมือง<ม>ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่แสดงอนิจจังได้ชัดเจนมากวันหนึ่งอาจจะอยู่บนทำรรเนียบประธานาธิบดีรุ่งเช้าอาจจะเข้าไปอยู่ในคุกหรืออาจจะตายอยู่กลางถนนเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏได้พบไปเห็นอยู่ตลอดโถมหน้าแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่อาศัยกิเลสดังกล่าวนั้นก็ผลักดันกระตุ้นคนให้เร่งร้าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าปรารถนาได้ฐานะตาแหน่งเหล่านั้นและในที่สุดก็จะมีความรู้สึกเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดความเข้าใจปักใจเอาว่าตนกับสิ่งเหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าว่าตนเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปเป็นต้น นี่ก็เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องละเพราะเป็นเหตุแห่งความทุกข์นานับประการที่ยังไม่เกิดและกำลังเกิดขึ้นได้จะเกิดในโอกาสต่ อ, ต อ, ต อ, ตอไปส่วนวิปะวะตัณหานั้นรากที่อย่างลึกจริงๆคืออยู่เป็นฐานของความคิดนั้นได้แก่อุเฉตทิจิคือมีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆจะสามารถขาดศูนไปได้แล้วก็ขาดศูนย์ไปโดยสภาพ ในที่สุดก็ปรารถนาการขาดศูนย์การแตกทําลายของสิ่งต่างๆตัวไม่ปรารถนาไม่พอใจซึ่งก็เป็นปัญหาทางใจที่ก่อให้เกิดกิเลสซึ่งยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดยานคือกิจยาณรู้เข้าก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นานาประการก็เพียรพยายามที่จ ะ, ะปฏิบัติเพื่อบรรเทาเพื่อละเพื่อระ ง, งับสิ่งเหล่านั้นออกไปจา ก, ก จ, จิตใจ นิโรธคือธรรมะที่เป็นปราศจากเครื่องเสียดแทงใจได้แก่สภาพของจิตที่ปราศจากกิเลสซึ่งมีลักษณะเสียดแทงเผ่าลนดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นโดยอาศัยการปฏิบัติตามอริมัสมีองค์แปดประการกิจยานเหล่านี้เป็นยานคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้น จากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นที่ผ่านขั้นตอมนมาโดยลาดับแล้วมายานเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ย, ายานประการต่อไปคือกตยานความรู้ว่าตัวได้ทําแล้ว <c oughs> ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะบังเกิดขึ้นคือรู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ตนก็ได้กําหนดรู้แล้ว สมุทยัยที่ควรละตนก็ได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเป็นอย่างน้อยแล้วบรรลุมรรคผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นภาพใหม่ดังนั้นการที่ทรงนํำเอาเงาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแม่น้ํากับความเป็นแม่น้ํา ประเภทที่เงาตื้นน้ําตื้นเงาตื้นนั้นโดยจุดสูงสุดก็คือไม่รู้อริยสัจสี่ประเภทที่น้ําตื้นแต่เงาลึกนั้นก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติาตามอริยสัจ4ี่เช่นเดียวกันคือ <c oughs> อาจจะรู้อริยสัจสี่แต่ว่ายังไม่เข้าถึงผลที่สมบูรณ์ส่วนประเภทที่สมนั้นก็เป็นประเภทที่ ปรากฏออกมาภายนอกคล้ายๆจะลึกแต่ก็ตื้นคือไม่มีความยั่งลึกได้จริงๆในแง่ของการปฏิบัติส่วนประเภทที่4ก็กลายเป็นประเภทสมบูรณ์โดยนิยยะที่กล่าวแล้วแต่ในการอุปมาณ น, นั้นเป็นการอุปมาณโดยอเนกกระยายสามารถที่จะกระจายออกไปในจุดนั้นๆในฐานะนั้นๆแล้วก็ดึงเข้ามาเปรียบเทียบตนเองวิเคราะห์ตัดสินตนเอง อันเป็นการศึกษาตามแนวที่พึงประสงค์ของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป